พระพุทธเจ้าสงสอนให้ชาวพุทธเรามันพิจารณากันอยู่เนืองๆว่าสับเบธรรมานัตตาแต่ว่าทำทั้งปวงทำทั้งหลายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเคอสิ่งต่างๆที่เรา ได้มาในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราเพียงชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องมีการพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาเรามาตัวเปล่าๆและเราจะไปตัวเปล่าๆแม้แต่ร่างกายที่เราคิดว่าเป็นเราเป็นของเรา ก็ไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ประกอบขึ้นทํามาจากดินน้ำลมไฟนั่นเองร่างกายนี้ต้องมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถึงจะเกิดขึ้นมาได้ ถึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในโลกที่เราเห็นอยู่ที่เราจับต้องได้นี้ไม่เป็นธาตุดินก็เป็นธาตุน้ําไม่เป็นธาตุน้ําก็เป็นธาตุลมไม่เป็นธาตุลมก็เป็นธาตุไฟหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นการรวมของธาตุทั้งสี่นี้เช่นต้นไม้เกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีธาตุดิน ผสมกับธาตุน้ำผสมกับธาตุไฟผสมกับธาตุลมจึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้เหมือนร่างกายของพวกเราก็ต้องมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟผสมกันถึงจะเกิดขึ้นมาเป็นร่างกายขึ้นมาได้เป็นอาการ32ได้แต่เป็นได้ไม่นาน ร่างกายนี้ไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนมากส่วนใหญ่ร่างกายของคนเราพอถึงร้อยปีมันก็จะหยุดทํางานหยุดหายใจแล้วพอหยุดหายใจธาตุทั้งสี่ที่มารวมกันในร่างกายก็จะแยกออกจากกันไปเวลาคนตายสิ่งแรกที่ออกไปก็คือธาตุลม ไม่มีลมเข้ามีแต่ลมออกอกินที่เราได้ดมกลิ่นของร่างกายนี้ก็เป็นธาตุลมเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็ธาตุไฟก็ออกจากร่างกายไปร่างกายคนตายนี้จะเย็นก่บร่างกายคนเป็นเพราะธาตุไฟในร่างกายมันหมดแล้วต่อไปถ้าทิ้งร่างกายไว้ ธาตุน้ำก็จะแยกออกมาน้จาจะไหลออกมาจากทาวารต่างๆจนในที่สุดก็จะเหลือแต่ธาตุดินส่วนที่เป็นธาตุดินคือพ ว, วกเนื้อแห้งกระดูกอวัยวะที่แห้งพอไม่มีธาตุน้ำมันก็จะแห้งแล้วถ้าทิ้งไว้นานๆเข้ามันก็จะผุ แล้วก็จะพังกลายเป็นดินไป น, นี่คือสิ่งที่เรามีกันโดยเฉพาะร่างกายเรารักเราหวงเราหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราจึงรักจึงหวงมันมากพอเรารักเราหวงเราก็เลยทุกข์กันทุกข์เพราะเราไม่อยากจะให้หมัน จากเราไปทุกเพ่ะเราไม่อยากจะให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายแต่อยากอย่างไรก็ไม่สามารถห้ามความแก่ห้ามความเจ็บห้ามความตายของร่างกายได้เพราะร่างกายมันจะต้องกลับคืนสู่ที่เดิมของมันมันมาจากสี่ที่ด้วยกัน มาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถึงเวลามันก็ต้องกลับคืนสู่ที่เดิมร่างกายคนตายร่างกายที่ตายไปแล้วหายไปไหนก็ <c oughs> ถ้าเผาก็เหลือแต่ขี้เถ้ากับเศษกระดูกก็เป็นดินไปธาตุน้ำก็ถูกไฟเผาให้ละเหยไปหมด ธาตุไฟก็หายไปธาตุดมก็หายไปทําไมเราต้องคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่คิดเราจะหลงเราจะคิดว่านั่งกายเป็นของเราแล้วพอเราใช้ร่างกายไปหาอะไรมาได้เราก็จะไปหลงคิดว่าเป็นของเราพอเรามีร่างกายเราก็ไปหาเงินทองกัน พอเราได้เงินทองมาเราก็หลงว่าเป็นของเราเราได้งานได้ตำแหน่งเราก็หลงว่าเป็นของเราเราได้รางวัลอะไรต่างๆก็หลงว่าเป็นของเราเราได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็ว่าเป็นของเรา ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลายเป็นของคนอื่นไปเวลาคนตายเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวนี่คือต้องให้พิจารณาเพราอเราจะได้ไม่ไปหลงไปยึดไปติดไปถือว่าเป็นของเรา พราะเวลาเราไปถือว่าอะไรเป็นของเราเราจะทุกข์กับมันทันทีทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความเสียใจเวลาที่จะต้องสูญเสียเขาไปแต่อะไรที่เราไม่ไปถือว่าเป็นของเรานี่เราจะไม่ทุกข์เลยร่างกายคนอื่นนี่เราไม่ทุกข์เลย ใครจะตายเมื่อไหร่ที่ไหนเวลาใดทำเมเราอ่านข่าวในหะนังสือพิมพ์ทุกวันมีร่างกายของคนนั่นตายของคนนี้ตายเราไม่ทุกข์เลยเราเฉยๆเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปถือว่าเป็นของเราแต่ถ้าเป็นร่างกายของที่เราไปถือว่าเป็นของเราหรือเป็นคนที่เราถือว่าเป็นของเรา เนร่างกายของพ่อเราของแม่เราของพี่ของน้องเราของสามีของพันธยาเราพอไปถือว่าเขาเป็นของเราทีนี้ทีนี้ความทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความเสียดายเวลาที่เขาจากเราไปเราก็เสียดายอาลัยอาวรณ์ เวลาอยู่ก็หวงไม่อยากให้เขาไปเป็นของคนอื่นเช่นสามีเราภรรยาเราไม่อยากให้ใครมาแย่งออกจากเราไปลูกเราก็ไม่อยากจะให้ใครมาแย่งจากเราไปพอสูญเสียลูกผูญเสียสามีไปก็เศร้าโศกเสียใจ ขณะที่ไม่สูญเสียก็กังวลห่วงหวงล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราไปถือว่าอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาทั้งๆที่ความจริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูแล้วนำมาสอนพวกเราก็คือไม่มีอะไรเป็นของเราสัพเพตัมมานัตตา ส en enrolled, right, altitude, floor, ิ่งเดียวที่จะถือว่าเป็นของเราได้คืออะไรก็คือความว่างนั่นเองความว่างนี้อยู่กับเราตลอดเวลาความว่างก็คือความไม่มีอะไรนั่นเองแต่เราไม่ชอบอยู่กับความว่างกันถ้าเราอยู่กับความว่างได้เราจะมีความสุขเราจะไม่มีความทุกข์กับอะไรเพราะความว่างนี้เป็นของเราตลอดเวลา อยู่ที่ไหนไปที่ไหนนี่มีความว่างตลอดเวลาไปอยู่ที่ไหนคนเดียวปั๊บก็อยู่กับความว่างแล้วเช่นพระนี่ท่านมาบวชแล้วท่านก็ไปอยู่ในปา่าในเขาท่านก็ไปอยู่กับความว่างไปหัดอยู่กับความว่างเพราะไม่เคยอยู่กับความว่างไม่ชอบความว่างแต่ไม่รู้ว่าการอยู่กับความว่างได้ การชอบความว่างนี้จะทำให้มีความสุขเนี่ยเพราะความว่างจะอยู่กับเราตลอดเวลาจะไม่มีวันจากเราไปแต่สิ่งต่างๆที่มีที่เป็นนี้จะต้องจากเราไปางั้นอย่าไปอยู่กับสิ่งที่ต้องจากเราไปเพราะเวลาที่เขาจากเราไปเขาก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจ เวลาที่เขาอยู่เราก็จะกังวลใจไปกับเขาไม่รู้ว่าเขาจะจากไปเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอะไรไปเมื่อไหร่นี่คือปัญหาของพวกเราความทุกข์ของพวกเราที่มีอยู่กันทุกวันนี้ทุกข์เพราะความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มานี่เป็นของเราเป็นตัวเรา ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องมาเปลี่ยนความคิดใหม่อย่าไปคิดว่าอะไรเป็นของเราถึงแม้เราจะมีอยู่ในขณะนี้เราก็ต้องรู้ว่าไม่ไมช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันกับเราก็ต้องจากกันไปเพราะร่างกายของเรามันต้องจากไปนั่นเองไม่มีร่างกายของใครที่จะอยู่ กับฟ้าดินไปได้อยู่ชั่วฟ้าดินถลายไม่มีเมื่อร่างกายตายไปสิ่งที่เราได้ผ่านทางร่างกายก็ไม่สามารถเอาติดไปกับเราได้พอเราตายไปสามีภรรยาของเราก็เราเอาไปไม่ได้ต่อไปสามีของเราภรรยาของเราอาจจะไปเป็นของคนอื่นต่อไปก็ได้ เพราะถ้าเขาไม่มีเราแล้วเขาก็ต้องหาคนอื่นมาแทนเราเนี่นเองนี่คือความจริงให้หัดคิดอยู่เรื่อยว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราให้หัดอยู่กับการไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับความว่างถ้าเราอยู่กับความว่างได้เราจะไม่มีวันเสียใจ เราจะไม่ต้องหวงไม่ต้องหวงเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครมาแย่งความว่างจากเราไปได้อย่างเป็นขอทานเนี่ยสบายกว่าคนมีขอทานไม่มีอะไรต้องหวงต้องหวงไม่มีบ้านต้องหวงไม่ต้องมีสมบัติต้องหวงต้องหวงนอนที่ไหนก็นอนได้หลับสบายนอนใต้สะพานนอนใต้ นอนข้างถนนนอนที่ไหนมันก็นอนได้เนี่ยนี่แหละคือความสุขความทุกข์เนี่ยความทุกข์จะเกิดจากการไปถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเรานะลองสังเกตดูเปรียบเทียบดูลูกเรากับลูกคนอื่นนี่เราทุกข์กับใครเราทุกข์กับลูกคนอื่นหรือเราทุกข์กับลูกของเรา ภรรยาของเราสามีของเรากับภรรยาของคนอื่นสามีของคนอื่นเราทุกข์กับใครทุกข์กับของเราทั้งนั้นอ่ะบ้านเรากับบ้านของคนอื่นเราทุกข์กับบ้านคนอื่นเขาเปล่าเมื่อวานในน้ำท่วมในพัยาเราทุกข์เเปล่าเราอยู่ที่นี่เราไม่ทุกข์เพราะมันไม่ใช่บ้านของเราแต่ถ้ามีบ้านของเราอยู่ที่พัทยาตอนนี้ทุกข์หย ทุกเนี่นี่แหละความทุกเกิดจากการไปถือไปยึดไปติดว่าเป็นของเรา ท, ทั้งทั้ที่พระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเราบ้ากันไปเองเราหลงกันไปเองหลงไปคิดว่าเป็นของเราหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราอพออะไรมันเป็นเราเป็นของเรานี่มันทําให้เรา ต้องทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่พอเราเปลี่ยนความคิดได้ไม่ถือว่าอะไรเป็นของเราเราจะหายทุกข์ทีนี้เราไม่ยอมเปลี่ยนกันพระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ยังไม่ยอมเชื่อเชื่อก็ทำไม่ได้ทำใจไม่ได้เชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นของเราก็ทำใจไม่ได้ยังถือว่าเป็นของเราอยู่ ยังไม่ยอมเลิกถือว่าเป็นของเราก็เพราะว่าเรายังต้องใช้มันอยู่นั่นเองเรายังต้องอาศัยเขาให้ความสุขกับเราทาั้งทั้งที่เรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นของเราทาั้งทั้งที่เรารู้ว่าเขาจะต้องจากเราไปหรือไม่ไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปแต่เมื่อยังไม่ถึงวันนั้นเราก็ขอเป็นของเราไปก่อน ขออยู่กับเขาไปก่อนเพราะเวลามีเขาแล้วมีความสุขนั่นเองเราว่าศัยสิ่งต่างๆอาศัยคนบุคคลต่างๆนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะว่าเราไม่สามารถหาความสุขจากความว่างได้เราไม่รู้จักวิธีหาความสุขจากความว่างกันเรารู้แต่วิธีหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ จากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เราก็เลยต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาคอยให้ความสุขกับเราอยู่เรื่อยๆและเราก็ถึงแม้ว่าจะเสียสิ่งที่เราเป็นของเราไปเราก็ไม่เข็ดหลับพอเราเสียแฟนคนนี้ไปเราก็ไปหาแฟนคนใหม่เราก็มาหวงมาหวงมาทุกกับแฟนคนใหม่ต่อ เพราะว่าแฟนคนใหม่ให้ความสุขกับเราต่อได้นั่นเองเราเสียแฟนคนเก่าไปเราก็ขาดความสุขที่จะได้จากแฟนคนเก่าเราก็เลยต้องไปหาแฟนใหม่เพื่อที่จะมาให้ความสุขกับเราใหม่แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะได้ความทุกข์มากับเขาด้วยเราได้ความสุขจากเขาเราก็จะได้ความทุกข์จากเขาด้วย ทุกข์เพราะหวงทุกข์เพราะหวงทุกข์เพราะเสียดายเวลาเขาจากเราไปแต่เราทำไมต้องทำอย่างนี้กันก็เพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขจากความว่างนั่นเองเรารู้จักวิธีหาความสุขจากสิ่งต่างๆกันเราก็เลยต้องมีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรา เราจึงต้องหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเราอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่มีลาบยศสารเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้เราได้เสพได้สัมผัสเราก็จะมีแต่ความทุกข์นั่นเองเพราะเราอยู่กับความว่างไม่ได้เใช่ไหมพวกที่ติดคุกนี่เป็นยังไงไม่มีการอยากจะติดคุกกัน วเวลาติดคุกไม่มีอะไรเป็นของเราเนะใช่ไหมเป็นของรัฐบาลหมดบ้านก็เป็นของรัฐบาลอาหารที่อยู่อาศาัยเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆเป็นของหลวงหมด mm hmm. ไม่มีอะไรเป็นของเรา mm hmm. เราจึงไม่ชอบติดคุกกันวเวลาติดคุกแล้วเราเหมือนกับอยู่กับความว่างอ mm hmm. ไม่มีลาบไม่มียศไม่มีสรรเสริญ mm hmm. ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้เราเสกกันเราจึงทุกข์กันแต่มีอยู่พวกหนึ่งที่เขากลับไม่ทุกข์เวลาที่เขาอยู่กับความว่างกันพวกนี้ชอบอยู่กับความว่างไม่ชอบมีอะไรไม่ชอบมีลาบไม่ชอบมียศไม่ชอบมีสรรเสริญไม่ชอบมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆชอบอยู่กับความว่างก็คือพระป่าพระเขานีไรอย่างเง พรที่ไปทุ่งในป่านั้นในเขามีอะไรบ้างติดตัวไปมีกรดหนึ่งอันไว้เป็นหลังคากันแดดกันฝนมีมุ้งไว้สำหรับกันยุงแล้วก็มีอัฐบริขานมีสมบัติอยู่แค่แปดชิ้นไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายมีบาทหนึ่งใบมีจีวรสามผืนมีมีดกรไว้ปองผม องหนวดมีเข็มขัดรัดเอวมมีที่กองน้ํามีเข็มกลับได้มีเท่านี้เขาก็อยู่ได้แล้วนี่คือเครื่องมือหากินของพระส่วนอย่างส่วนราบยศสรรเสริญนี้ส่วนรูปเสียงกิรนนี้เขาไม่เอาเขาเอาความว่างดีกว่าอยู่แบบไม่มีราบยศสรรเสริญ อยู่แบบไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสพดีกว่าแต่เขากลับมีความสุขมากกว่าพวกเราที่มีอะไรมากมายกายกองเพราะเขาไม่มีอะไรจะต้องทุกข์ด้วยนั่นเองเขาไม่มีอะไรต้องหวงไม่มีอะไรต้องห่วงไม่มีอะไรจะต้องเสียดายเสียใจไม่มีอะไรจะต้องเศร้าโศกเสียใจ เขาไม่มีอะไรที่จะสูญเสียสิ่งที่สูญเสียก็ไม่น่าก็ไม่มีคุณค่าราคาอะไรเสียบาทเสียจีวรไปเสียไปก็เสียไปห า, หาหาใหม่ก็ได้ไม่ยากเย็นอะไรหรือเสียร่างกายเขาก็ไม่เสียดายเขาไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆเหมือนกับพวกเรา วงเหล่านี้ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงถึงจะสามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาเงินหาทองก็ไปไม่ได้ไปทำงานหาเงินทองหาลาบไม่ได้หายุไม่ได้อยากจะได้ตำแหน่งต่างๆไปสมัครสอสอเขาก็ไม่ให้สมัคร เวลาเป็นคนป่วยเนี่ยลองไปสมัครสอสะดูเขาว่าขาดคุณสมบัติรับแต่คนที่มีอสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากจะเป็นสอสออยากจะเป็นนายกก็เป็นไม่ได้ถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงไม่ได้ยศอยากจะไปแข่งขันเอาเหรียญทองเหรียญอะไรก็แข่งขันไม่ได้เพราะร่างกายไม่สมบูรณ์ อยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ไปไม่ได้เราจึงรักเราจึงหวงร่างกายมากเราจึงพยายามดูแลรักษาเลี้ยงดูร่างกายให้แข็งแรงให้ทำอะไรตามที่เราต้องการได้อยากได้เงินก็ใช้ร่างกายไปหาเงินอยากได้ยศก็ใช้ร่างกายไปหายศอยากได้สรรเสริญอยากได้รางวัลต่างๆ ก็ใช้ร่างกายไปหาอยากเที่ยวอยากเสพ ร, รูปเสียงเก็นัดต่างๆอยากดูมหรสศพบันเทิงต่างๆก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราจึงรักจึงหวงร่างกายมากแล้วพอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาเราจึงทุกข์กับมันมากนี่เพราะว่าเรา ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราแต่ถ้าเราไปศึกษาจากพระป่าพระเขาจากพระพุทธเจ้าจากพระอาหารหันตสาวกท่านจะสอนว่าเราสามารถหาความสุขจากการไม่มีอะไรได้หาความสุขแบบไม่มีอะไรจะดีกว่าเพราะไม่มีอะไรจะต้องมาคอยหวงคอยหวง คอยเสียใจคอยเสียดายหาความสุขจากความว่างพูดง่ายๆวิธีจะหาความสุขจากความว่างก็ต้องหยุดความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆนั่นเองเราต้องหยุดตัวนี้ให้ได้หยุดความอยากที่จะหาลาบยศจัละเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสปฐพะถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็เลิกใช้ร่างกายได้ ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาราบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่กังวลกับร่างกายกต่อไปร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายจะแกะ่หรือไม่แก่ไม่เป็นปัญหาอะไรจะเจ็บไม่เจ็บไม่เป็นปัญหาอะไร จะตายไม่ตายไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะเราสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาความสุขที่เราได้จากการหยุดความอยากนี้นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงพอเราหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายไปหาความสุขจากลาบยศสรเสริญจากลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เราก็ มีความสุขตลอดเวลาความสุขนี้อยู่ในตัวเราอยู่ในใจของเรานี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่เราไม่รู้จักกันไม่รู้ว่ามันอยู่เรามีของดีของวิเศษอยู่ในใจของเราดีกว่าเงินทองแสนล้านหมื่นล้านเชื่อไหมว่าเงินทองแสนล้านหมื่นล้าน ก็ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้เหมือนกับความสุขที่เราหาได้ภายในใจของเราความสุขที่เกิดจากการหยุดหาความสุขจากภายนอกนั่นเองถ้าเราสามารถมาหยุดความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เราจะได้เข้าถึงความสุขที่มีอยู่ภายในใจของเรา ความสุขนี่แหละเป็นของเราอยู่กับเราจะไม่มีวันจากเราไปไม่เหมือนความสุขที่ได้จากเงินหมื่นล้านแสนล้านไม่เหมือนกับความสุขที่ได้เป็นนายกเป็นประธานา ธ, ธิบดีความหรือความสุขที่ได้จากเหรียญทองต่างๆได้รางวัลต่างๆ หรือความสุขที่เราได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความสุขเหล่านี้ได้มาปั๊บแล้วเดี๋ยวก็หายไปได้มาปั๊บแล้วก็จางหายไปเหมือนควันไฟต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่จะไม่สามารถหามาเติมได้ เป็นวันวันที่เราแก่วันที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยวันที่เราตายวันนั้นแหละจะเป็นวันที่ทุกทรมานใจเป็นอย่างมากเพราะเราไม่สามารถที่จะไปหาสิ่งต่างๆตามความอยากของเราได้อีกต่อไปแต่ถ้าเรามาหัดหยุดความอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆกันได้เราจะอยู่เฉยๆได้ อยู่กับความว่างได้อยู่กับการไม่มีราบไม่มียศไม่มีสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกิจลดต่างๆมาเสพมาให้ความสุขกับเราได้นี่แหละคือสิ่งที่คนฉลาดจะค้นพบกันคนง่อนนี้จะหาแต่ความทุกข์กันโดยหลงไปคิดว่าเป็นความสุขกัน คนโง่จะหาลาบยศสรรเสริญหาลูกเสียงกลิ่นรสเพราะหลงไปคิดว่ามันเป็นความสุขแต่ไม่เห็นเวลาที่มันหายไปเวลามันจากไปว่ามันกลายเป็นความทุกข์อย่างยิ่งใหญ่คนฉลาดนี่จะเห็นว่าการหาความสุขจากร่างกายจากลาบยศสรรเสริญจากลูกเสียงกลิ่นรสนี่ เป็นการหาความทุกข์นะคนชลาดนี้นานๆจะมีโผลขึ้นมาในโลกนี้สักคนหนึ่งในยุค ข, ของพวกเราก็คือเจ้าชายสิทธัตถานี่ที่ต่อไปได้ออกบวชแล้วได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้านี่นี่แหละเจ้าชายสิทธัตถานี่แหละเป็นบัณฑิตเป็นมาเป็นนักปราชญ์ที่แท้จริง พอเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเห็นนักบวชต้นนั้นรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรรู้เลยว่าความสุขที่หาได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ล้วนเป็นความทุกข์ตรงนั้นทุกข์เพราะว่าเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายจะไม่สามารถหาความสุขไดอีกต่อไปนั่นเองท่านจึง ทิ้งความสุขเหล่านี้ไปทิ้งความสุขของเจ้าชายสิทธัตถะไปแล้วเปลี่ยนไปอยู่แบบนักบวชเป็นสั ม, มณะโคโดมนะคําำว่าโคโดมก็นามสกุลของเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะภาษาบาลีเรียกว่าโคตมะแต่ภาษาไทยเราก็อ่านเป็นโคโดมเราชอบย่นให้มันสั้นคนไทยไม่ชอบยาว ธมะมันยาวอ่ะมันดมไปเลยโคตมโคดมตมมันอ่ฟังแล้วไม่น่าดูก็เลยเปลี่ยนเป็นดมไปกลายเป็นโคดมไปเออพอไปบวชก็ไปเป็นสัมมณะโคดมไปหัดอยู่กับความว่างหาความว่างเป็นแหล่งของความสุขด้วยการต่อสู้กับความอยากต่างๆเพราะความอยากนี่ จะดึงให้เรากลับมาพึ่งร่างกายจะดึงให้เรากลับมาหาราบยศสรรเสริญแล้วก็จะทําให้เราจะต้องมาทุกข์กับร่างกายมาทุกข์กับราบยศสรรเสริญอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ในขณะนี้มีใครไม่ทุกข์บ้างมีใครไม่ทุกข์กับร่างกายบ้างกังวลกับเรื่องร่างกายอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่ว่าจะสาวจะหนุ่มจะแก่ ทุกข์กับเรื่องร่างกายกันะแล้วก็มาทุกข์กับเรื่องสมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็มาทุกข์กับตําแหน่งแล้วก็มาทุกข์กับรางวีรางวันต่างๆสอบอยากได้ที่หนึ่งกันอยากได้สี่จุดกันเนี่ยวันที่ห้าอยากจะเข้ามาหาลัยกันอยากได้รางวันรางวันคือสอบได้คะแนนสูง ก็จะได้รางวัลได้เลือกเข้ามาหาลัยที่ต้องการจะเข้าเนี่ยเครียดกันมาตั้งแต่เด็กเลยไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่เด็กก็เครียดอย่างนี้ต้องสอบแข่งเข้าโรงเรียนอนุบาลกันเนราะเพราะโรงเรียนอนุบาลไหนดีต่อไปอนาคตจะดีถ้าอนุบาลดีเดี๋ยวปถมก็ดีปถมดีมัธยมก็ดีมัธยมดี วิทยามหาาวิทยลัยก็ดีเห็นไหมอยากจะเข้าสาธิตจุฬากันไหมอยากจะเรียนอนุบาลสาธิตนหะสาธิตจุฬาอพอเข้าสาธิตจุฬาได้เดี๋ยวก็สอบเข้าจุฬาลงกรณนไนดะ้นี่คือการแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายตอนที่แสวงหาตอนนั้นร่างกายมันแข็งแรงสมบูรณ์ดี ก็เลยไม่ค่อยคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกันสนุกพเพลิดเพลินกับการหาความสุขต่างๆมาเสพกันเหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะนี้ก็เหมือนกันตอนที่อยู่ในวังนี้พ่อของพระเจ้านี่รู้ว่าคนแก่คนเจ็บคนตายนี้จะทำให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะไม่สบายใจก็เลยสั่งห้ามห้ามคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวงัง เจ้าชายสิท ธ, าธาัตถะก็เลยไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแต่หนุ่มแต่เห็นคนหนุ่มคนสาวเห็นแต่คนที่มีกำลังวังชามีกำลังมีความสามารถหาความสุขอะไรต่างๆได้ก็เลยหลงคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอวันดีคืนดีได้ออกไปเที่ยวนอกหวงังทีนี้ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเกินไปหมด ถึงจะเห็นความจริงว่าอ้อต่อไปร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนี้นะต่อไปร่างกายของเราก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะแล้วเราจะไปหาความสุขจากอะไรตอนที่เราแก่ตอนที่เราเจ็บตอนที่เราตายก็หาความทุกข์เท่า น, นั้นเลยก็มีแต่ความทุกข์ให้หาทุกทรมานใจคนที่ไม่เคยเตรียมตัวรับกับความแก่ความเจ็บเวลาแก่เวลาเจ็บนี้รับไม่ได้ ต้องหาวิธีฆ่าตัวตายกันขณะที่อยู่ในโลกที่เจริญทางด้านวัตถุที่สามารถหาความสุขจากตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้ก็เลยไม่คิดถึงเวลาตัวเองจะแก่จะตายว่าเป็นยังไงเวลาตัวเองแก่ตัวเองเจ็บตัวเองจะตายนี่เป็นยังไงก็เลยไม่เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์นั้นพอไปแล้วพอตัวเองแก่พอตัวเองเจ็บ พอตัวเองจะตายนี่มันแสนทรมานใจจนไม่อยากจะอยู่ต่อไปเลยต้องหาวิธีฆ่าตัวตายแบบฆ่าตัวตายก็ยังจะอยากจะตายอย่างสบายตายสบายก็ต้องให้หมอฉีดยาให้ตายแบบอื่นมันยังทรมานนะเอาปืนยิงมันยังเจ็บเอามีดแทงยังเจ็บเอาอะไรมาอุดจมูกก็ยังทรมาน อยากจะตายแบบสบายวิธีก็คือให้หมอฉีดยาตายให้แต่หมอก็ทำไม่ได้หมอมีเรียนมาเพื่อรักษาร่างกายไม่ใช่มาเพื่อฆ่าร่างกายถ้าจะบังคับให้หมอทำต้องให้กฎหมายรองรับก่อนอย่างนี้ประเทศที่ร่ำรวยประเทศที่พัฒนานี่ต้องกำลังพยายามออกกฎหมายกัน ออกฎหมายให้ฆ่าตัวตายได้ให้หมอช่วยฆ่าตัวตายได้เนี่ยกลายเป็นประเทศที่จเจริญหรือไม่จเจริญลองไปดูประเทศที่จเจริญทำไมต้องมาคิดฆ่าตัวตายกันพวกเราประเทศได้พัฒนากับไม่ต้องมาคิดฆ่าตัวตายกันเพราะพวกเรานี่เตรียมตัวรับกับความตายอยู่ตลอดเวลาเพราะพวกเราไม่มีเวลาที่จะไปหาความสุขกัน เรามันอยู่จิตใกล้กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆแล้วโชคดีที่เรามีพุทธศาสนามาสอนให้เราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความแก่รับกับความเจ็บรับกับความตายกันด้วยการหัดเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้มาหาความสุข จากการหยุดความอยากต่างๆให้เข้าวัดกันให้มาถือศีลแปดกันเนี่ยนั่งนุ่งขาวหุ่มขาวเนี่ยเป็นวิธีฝึกหัดเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะถ้าเราถือศีลแปดเราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอศีลข้อสามก็ห้ามไม่ให้เราร่วมหลับนอนกันข้อหกก็ไม่ให้เรากินมากเกินไป กินพออยู่ได้กินเพื่ออยู่ไม่ให้อยู่เพื่อกินอยู่เพื่อกินกินเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะกินแล้วมันมีความสุขก็เราอยากกินมันไปเรื่อยๆแต่เวลามันไม่ได้กินมันจะทุกข์ต่อไปเวลามันแก่เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยกินไม่ได้หมอห้ามหมดน้ําตาลก็ไม่ได้น้ําปลาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้หมดเมื่อมันกินแล้วไม่มีความสุขมันก็ไม่อยากจะกิน อันนี้นี่การมาถือศีลแปดนี่เป็นเหมือนกับการมาหัดอยู่แบบคนแก่คนเจ็บคนตายนี่เองอยู่แบบไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือให้ความสุขแล้วก็ให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบเพราะเวลาเราทำใจให้สงบความอยากที่จะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายมันก็จะหยุดลงไปทันที พอความอยากที่อยากหาความสุขผ่านทางร่างกายมันหยุดไปความรู้สึกงุดหิตลาคาญใจความ ว, าว้าเหวเศร้าซ้อยงอยเหงาจะหายไปหมดจะอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขอย่างไม่เดือดร้อนคนที่ยังหยุดความอยากที่จะหาความสุขจากคนนั้นคนนี้ไม่ได้เวลาอยู่คนเดียวจะรู้สึกเหงาจะรู้สึกว้าเหวจะรู้สึกเศร้า คนที่เคยหาความสุขจากการไปเที่ยวพอต้องให้อยู่เฉยๆอยู่บ้านจะรู้สึกเหงาคนที่เคยหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่สามารถหาได้ก็จะรู้สึกเศร้าขึ้นมานี่คือปัญหาของคนที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ หาความสุขต่างๆนั่นเองอจะต้องเจอปัญหานี้ไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึง่งร่างกายก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก่อนที่จะแก่ก็ได้บางคนเป็นถึงกับเป็นอมภพกรรมภา พ, าพาไปตั้งแต่อายุยังไม่มากเ<อ>จออุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุ<อ>ทําให้เป็นอมภพกรรมภาพทีาพา<อ>นี้ชีวิตก็จะกลายเป็นแต่ กองทุกข์ขึ้นมาเพราะจะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้แต่ถ้าเคยมาฝึกหัดอยู่กับวัดมาฝึกอยู่แบบคนเจ็บคนคนแก่คนตายได้เวลาร่างกายเป็นอะไรจะไม่เดือดร้อนจะอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุขนนี้คือสิ่งที่เราควรที่จะมาฝึกมาซ้อมกัน มาฝึกมาซ้อมมาอยู่แบบคนแก่คนเจ็บคนตายกันคืออยู่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันม า, าเอาธรรมะเป็นเครื่องมือหาความสุขมาเอาสติเป็นเครื่องมือให้หาความสุขให้กับเราเพราะสตินี่แหละที่จะเป็นตัวที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากของเราได้ เวลาเราคิดเราจะอยากกันคิดถึงขนมก็อยากจะกินกันคิดถึงของเล่นก็อยากจะเล่นคิดถึงที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปเที่ยวกันอพออยากแล้วถ้าไม่ได้ไปมันจะทรมานใจมันจะหงดหงิดนาคาญใจแต่ถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากที่จะไปทําอะไรต่างๆมันก็หยุดไปพอมันหยุดไปอยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อน อยู่เฉยๆกับมีความสุขมีความสบายถามจริงๆเถอะอยู่เฉยๆกับการไปทำนู่นทำนี่อันไหนสบายกว่ากันอยู่เฉยๆมันแสนจะสบายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ไปเที่ยวนี่เหนื่อยไหมก่อนจะเที่ยวก็ออกจากบ้านก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ำอาบท่าก่อนจะไปเที่ยวได้ก็ต้องไปหาเงินหาทองมาเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองแล้วพอมีเงินมีทองก็ต้องมา มาเหน็ดเหนื่อ ย, ยกับการเตรียมตัวไปเที่ยวอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวแล้วพอไปเที่ยวก็ดีใจสนุกเดี๋ยวเดีย ว, ยวพอกลับมาถึงบ้านก็หายไปหมดแล้วเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวอย่างนั้นอยู่เฉยเฉยไม่ดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเตดเหนื่อยเมื่อยล้ากับการออกไปเที่ยว แต่มันอยู่บ้านไม่ได้เพราะอะไรมันทรมานใจทรมานเพราะอะไรเพราะความอยาก น, นั่นเองแต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิได้ฝึกสติได้หยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ความทรมานใจก็หายไปความเศร้าหายไปความว้าเหวหายไปกลับเห็นว่าให้อยู่บ้านสบายกว่าปลอดภัยกว่าเงินก็ไม่ต้องเสีย ไม่ต้องไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าร้างแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องขับรถขับลาเดินทางไปให้เหน็ดเหนื่อยไปติดรถอยู่บนท้องถนนไปเสี่ยงกับภยัยอุบัติเหตุต่างๆนะถ้าคิดเป็นเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าอยู่เป็นสุขนี่ดีที่สุดอยู่เฉยๆได้นเนี่ยเป็นสุขจริงๆที่มันอยู่ไม่ได้กันอยู่บ้านไม่ได้อยู่ไม่ติดบ้านกัน เพราะมันมีตัวคอยผักดันให้จิตมันพาร่างกายให้ออกนอกบ้านอยู่เรื่อยนั่นเองคือความอยากต่างๆความอยากหาความสุขจากสถานที่นั้นที่นี้ความอยากหาความสุขจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เลยบังคับให้เราต้องเด็ดเหนื่อยเมื่อา้ากับการไปหาหาความสุขที่หามาได้ปับ๊บแล้วก็หมดไป พอไปเที่ยวกลับมาถึงบ้านหายไปแล้วความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวยผลฟ้าอากาศมันทำท่าจะไม่ดีเสียวเดี๋ยวขอสรุปหน่อยแล้วก็ถ้าฝนตกก็จะได้ไปไหนมาไหนกันได้นะคือสรบปแล้วก็ให้หัดมาใช้วิธีหาความสุขแบบพระพุทธเจ้าดีกว่าคือหาความสุขกับการหยุดความคิดหยุดความอยาก ถ้าเราหยุดความคิดหยุดความอยากได้เราจะอยู่กับความว่างได้อยู่กับการไม่มีอะไรได้เพราะไม่มีไม่มีความอยากมันก็ไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญมันไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสมันไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็ปล่อยให้ร่างกายเป็นไปเพราะไม่ต้องอาศัยมันแล้ว เพราะเป็นไม่เป็นก็มีความสุขได้เหมือนเดิม remember, mm hmm. มีความสุขจากการหยุดความคิดหยุดความอยากเนีหน้าที่ของพวกเราตอนนี้ก็คือเรายังหยุดความคิดหยุดความอยากไม่เป็นกันมันเป็นเหมือนกับการขี่จักรยานนะถ้าขี่จักรยานไม่เป็นก็ขี่ไม่ได้ถ้าไม่หัดขี่มันก็ขี่ไม่ได้อยู่นั่นแหะแต่ถ้ามาหัดขี่ไม่กี่วันเดียวก็ขี่ได้ อันนี้ก็เหมือนกันการหยุดความคิดหยุดความอยากก็เป็นเหมือนหัดขี่จั ก, กรยานนี่เองถ้าเราไม่มาหัดมันก็หยุดมันไม่ได้แต่ถ้าเรามาหัดแล้วเดี๋ยวเราก็หยุดมันได้ลองมาใช้พุทโธดูลองใช้พุทโธแทนที่จะคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้พอมันจะคิดเรื่องอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดก็พุทโธพุทโธไปหยุดมันพอคิดถึงขนมก็พุทโธไปคิดถึงแฟนก็พุทโธไป คิดถึงของเล่นกับพุดโธไปคิดถึงที่เที่ยวก็พุดโธไปแล้วพอมันหยุดความคิดเหล่านี้ได้ความอยากที่จะไปทำสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีไม่มีก็ทำให้เราอยู่เฉยๆได้อยู่บ้านได้ไม่ต้องไปดินน้นรนไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราอย่าง น, นี้คือหลักการง่ายๆของการมาปฏิบัติทำมาหยุดความคิดหยุดความอยากนี่ ขั้นตนก็หยุดด้วยสติใช้ ส, สติคือพุโทโธพุธโทโธคอยควบคุมมันพอมันจะคิดไปถึงคนนั้นคนนี้ก็หยุดมันคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หยุดมันพุโทโธพุธโทโธไปถ้าเบื่อพุโทโธก็สวดมนต์ไปแทนก็ได้ถ้าเบื่อพุโทโธเบื่อสวดมนต์ก็คอยเฝ้าดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ได้ให้อยู่กับร่างกายไป แล้วเราก็จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้แต่จะหยุดได้อย่างเต็มที่เราต้องนั่งเฉยๆต้องนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าเรานั่งเฉยๆได้นั่งดูลมได้เดี๋ยวใจเราก็จะนิ่งสงบอย่างเต็มที่แล้วความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดแล้วเราก็จะพบกับความสุขที่เกิดจากการหยุดของความอยากต่างๆนี้เอง แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆอีกต่อไปเมื่อเราสามารถหาความสุขจากการทำใจของเราให้สงบจากการหยุดความคิดหยุดความอยากได้เราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งอื่นๆต่อไปเพราะไม่มีความสุขกันไหนจะดีกว่าความสุขที่เราได้จากการหยุดความคิดหยุดความอยากนี่เอง พอเราได้พบกับความสุขกันดีแล้วเราก็สามารถเลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราเคยหามาได้อย่างราบคาบไม่ต้องกลับไปหามานันอีกเพราะการไปหาความสุขแบบนั้นมันจะต้องมีวันที่จะหาไม่ได้พอวันหาไม่ได้วันนั้นจะหงดหงิดลำคาจะเศร้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมาให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่า ใจสงบแล้วทีนี้ก็สบายนี่คือผลที่เกิดจากการเราหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราคอยหามาให้ความสุขกับเรามันไม่ได้เป็นของเรามันจะต้องมีการจากเราไปวันใดวันหนึ่งเราอย่าไปหามันอย่าไปพึ่งมันเพราะเราไปพึ่งมันแล้วเราจะเสียใจเวลาที่มันจากเราไป ให้เรามาหาสิ่งที่เป็นของเราที่ไม่จากเราไปดีกว่าก็คือการหยุดความคิดหยุดความอยากเพื่อทำใจให้เราสงบนี้เองความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริง ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาเนื่องจากฝนฟ้าอากาศไม่เป็นปกติก็เลยขอสรุปเร็วหน่อยสำหรับวันนี้แล้วแถมไฟฟ้าก็ไม่ได้เอามาด้วยคนดูที่บ้านก็อาจจะมองไม่เห็นภาพเพราะมันมืดก็เลยขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลวาหาปุราปะริปุเรนติสากลัง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 วินาสตมัเตภวตอันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอพิวธนสิลิสนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมาวันติอายุวันโสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยหกสิบ8สองสิบปดวิทยุออนไลน์สามสิบรับฟังข้างบนนี้ห้าสิบห้าคนรวมทั้งหมดห6ร้อยหกสิบสามครับโอเคใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ <Yeah. S 2> ช่วยพูดใกล้ๆปากหน่อยไมโครโฟนเสียงจะได้ดัง เมื่นไกลๆไปครับหลวงพ่อครับออพอดีว่ากระผมก็ได้ปฏิบัติสมาธิที่บ้ า, บานๆนะครับหลังจากที่เรียนหนังสือแต่ว่าเหมือนกับปฏิบัติแล้วก็ไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่ครับก็ยอยากจะขอคําแนะนําครับเพราะขาศเครื่องมือไงครับเครื่องมือที่จะทําให้การปฏิบัติก้าวหน้าก็คือสติ เราต้องหมั่นฝึกสติอยู่เรื่อยๆดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่าให้มันลอยไปกับความคิดต่างๆอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตถ้าปฏิบัตินะต้องทิ้งหมดตัดอดีตตัดอนาคตตัดเรื่องคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันอยู่กับเหตุการณ์ที่เรากำลังทาอยู่ในปัจจุบัน เช่นเรากำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับงานที่เราทำอยู่เดินก็ให้อยู่กับการเดินอาบน้ำก็ให้อยู่กับการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับงานเหล่านั้นหรือจะใช้ให้ใช้พุทธโธก็ได้ถ้ามันไม่ยอมอยู่กับงานก็ให้มันอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันเวลานั่งสมาธิจะสงบได้ง่ายและสงบได้นานน่าจะทาให้เราก้าวหน้าต่อไป ครับขอบพระคุณครับกรรมธรรมสการเจ้าค่ะวันนี้ลูกมีสองคำถามคำถามที่หนึ่งนะคะ ค, คือเมื่อเมื่อเมื่อคือเมื่อเช้ารู้สึกว่าโดนโดนน็อกนะคะพอนั่งสมาธิแล้วไม่สงบคือเหมือนจิตมันอ่อนมากนะคะโดนตัวคิดดึงไปตลอดเลยนะคะท่องพุทโธพุทโธแล้วก็หลุดไปเพิ่งเพิ่งจะ เพิงจะกลับมามีกําลังก็ก่อนขึ้นเขาเนี่ยล้วเจ้าค่ะคือไม่ทราบว่าแล้วไม่เราไม่ใช้สติเนี่ยพอมันอ่อนเราก็ต้องขยันพุทโธพุทโธไปเพื่อดึงสติกลับเขินมาลูกเอ่อลูกเดินพอพอนั่งไม่ไม่นิ่งก็เลยเดินจงกลมได้ไหมเจ้าค่ะได้ได้ก็นั่งไม่ได้ก็เดินแต่ข้อสําคัญไม่ใช่อยู่ที่เดินหรือที่นั่งอยู่ที่พุทโธอยู่ที่สติ ต้องสร้างสติขึ้นมาเจ้าค่ะค ำ, คำถามที่สองนะคะถ้าจิตเกิดภาวะกลัวตายขึ้นมาจะทำยังไงเจ้าค่ะถ้าควบคุมจิตไม่ได้ก็หยุดควบคุมมันก่อนใช้สติควบคุมหยุดความคิดความกลัวไปก่อนอย่าให้ถ้าเราเบื้องต้นต้องถ้าใจเรากลัวมากๆใจสั่นนี้ก็ต้องใช้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปสวดมนต์ไปอินิปีโสไปจนกว่าจิตจะกลับมาเป็นปกติ ต้อกลับมาเป็นปกติขั้นต่อไปก็ให้พิจารณาว่าร่างกายเป็นดินน้ำหลมไฟไม่ใช่ตัวเราเราเป็นคนมาใช้ร่างกายร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นเหมือนคนขับเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราห้ามความตายของร่างกายไม่ได้ปล่อยมันตายพอปล่อยมันตายแล้วเราก็จะหายกลัวเจ้าค่ะเกิดภาะวะอย่างนี้ประมาณสามครั้งแล้วลูกก็ท่องพุทโธพุทโธ ทั้งสามครั้งแต่รู้ว่ายังยังไม่คือรู้ว่าจะกลับมาใหม่อะคะ่ะคือยังไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ใช้ปัญญาเนี่ยเราใช้สติแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเหมือนกับมีแผลเราก็รีบใช้ยาแดงใช้อะไรหยุดเลือดก่อนแต่ต้นเหตุของปัญหามันยังไม่ได้รับการจัดการต้องไปโรงพยาบาลเช่นถูกลูกกระสุนปืนขวางอยู่ก็ต้องต้องแกะเอาลูกกระสุนปืนออกมา อันนี้ก็เหมือนกันพอเรากลัวตายนี้เราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนหยุดความกลัวด้วยการใช้สติพุโทโธพุโทโธสวดมนต์ไปพอมันกลับมาเป็นปกติแล้วทีนี้ก็มานั่งใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของพ่อของแม่ให้เรามาเราเป็นดวงวิญญาณมารับร่างกายนี้แล้วเดี๋ยวถึงเวลาเราก็ต้องทิ้งร่างกายนี้ไป พ่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟให้พิจารณางี้ต่อไปมันก็จะรับความตายนะมันจะรู้ว่าเรามันไม่ตายตัวที่ตายมันไม่เดือดร้อนร่างกายมันตายมันไม่เดือดร้อนแต่ให้ตัวที่ไม่ตายไปเดือดร้อนแทนร่างกายเพราะไม่อยากให้มันตายเพราะไปคิดว่าเป็นมันนั่นเอง ตัวใจไปคิดว่ามันใจเป็นร่างกายใจเลยเดือดร้อนกับความตายของร่างกายพอแล้วเอาปัญญามาสอนใจว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็หายกลัวปล่อยวางความปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยให้ร่างกายตายได้แล้วต่อไปจะไม่กลัวอีกต่อไปสาธุเจ้าค่ะสาธุแต่จะไม่กลัวจริงๆต้องไปทาข้อสอบ พียงแต่คิดอยู่นี่ยังเป็นการบ้านอยู่ต้องไปเจอคุกเจอความตายเจอความตายความเสี่ยงความตายความเป็นความตายแล้วก็ยอมตายพอยอมตายแล้วทีนี้รู้แล้ไม่กลัวความตายต่อไปอคำถามทางบ้านคำถามจากคุณพัฒ ร, ร์พรไตรลักษ ออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาหรือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่หรือไม่ครับมัน ม, มีสามลักษณะไปแปลว่าสาลักษ์ก็คือลักษณะคือลักษณะของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เรามีกันนี่มีสมลักษณะหนึ่งอ น, นิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องดับสองอนัตตาไม่ใช่เป็นของเราจะต้องมีการจากเราไป สามพอมีการไม่เที่ยงมีการจากกันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าเราไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดนี่เรียกว่าตายรักไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นตายรักหมดร่างกายเราเป็นตายรักร่างกายของสามีภรรยาของลูกของพ่อของแม่ของใครก็ตามเป็นตายรักหมด เวลาเขาจากเราไปเศร้าโศกเสียใจกันทุกคนแต่ถ้าเรามีปัญญาเรารู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของไตายรมีเกิดก็ต้องมีดับเราก็จะไม่ทุกข์กับการตายไม่ทุกข์กับการพัดพาคจากกันคําถามต่อไปจากคุณวันนิพาเมื่อวานโยมถามเรื่องกกับการปฏิบัติธรรมที่บ้านเรื่องดูลมกับภาวนาพุทโธ เวลานั่งโยมใช้ทั้งสองวิธีพร้อมกันได้หรือไม่เจ้าคะ่ะคือเวลาที่ฟุ้งซ่านโยมใช้พุทโธดึงสติกลับมาที่ลมแต่พอจิตสงบใช้วิธีดูลมเจ้าคะ่ะได้ก็เหมือนขับรถเนี่ยขับรถแล้วต้องเปลี่ยนเกียร์เวลาออกรถมันต้องใช้เกียร์ต่ําพอรถวิ่งแล้วเราก็เปลี่ยนเกียร์สูงคําถามต่อไปจากคุณวัชสรรัน จิตคือผู้คิดใจคือผู้รู้ในภาษาบาลีท่านใช้คําว่าจิตกับใจต่างกันอย่างไรครับก็จิตก็เรียกจิตต่างจิตจิตก็จิตเนี่ยคําว่าจิตก็มาจากภาษาบาลีส่วนใจก็เรียกว่ามโนมโนคือผู้รู้ใจมโนจิตกับมโน ที่เรามาใช้คําว่ามโนเป็นความนึกคิดไงทุกวันนี้สร้างมโนภาพกันขึ้นมาในใจคิดไปเองมโนไปเองคิดว่าเป็นนายกคิดอะไรเป็นไปเองแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเป็นเพียงแต่มโนเป็นความคิดแต่มโนที่แท้จริงนั่งเดิมก็คือใจผู้รู้คือใจจิตคือผู้คิด คำถามต่อไปจากคุณฟูถ้าเรามีความจำเป็นต้องใช้มือถือใหม่เราควรเลือกออปชันแบบดีหน่อยใช้งานสะดวกเพิ่มขึ้นฟังกชั่นดีกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมถ้าเทียบแบบราคาถูกกว่าออปชันน้อยกว่าอย่างนี้แล้วในมุมของธรรมะจะถูกไหมครับ มันไม่รู้จะมุมธรรมะมาเกี่ยวอะไรกับมือถือว่ามุมธรรมะก็คืออย่าไปใช้มันดีที่สุดออปชั่นที่ดีที่สุดก็อย่าไปใช้มือถือเมื่อการไม่มีมือถือก็พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสัู้้ด้วยมือถือนะอพระพุทธเจ้าตัดสรู้้ด้วยมือที่วางไว้อยู่ที่หน้าตักมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็หลับตาแล้วก็อย่าไปคิดถึงอ อ, อปชั่นต่างๆของมือถือ ใช่ทำใจให้สงบหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆอันี่คือมุมมองของธรรมะอย่าไปมีมันมีแล้วทุกมันจะออปชันดีขนาดไหนเดี๋ยวปีหน้ามันก็มีดีกว่าหมายออกมายอย่างนั้นอเนี้ยไปที่ดีที่สุดปีนี้เดี๋ยวมันก็กลายเป็นกลายเป็นก้อนก้อนหินไปไม่อยากใช้มันละมันหนักมืออยากจะได้เครื่องใหม่ออปชันใหม่ นอย่าไปหลงไหลกับของในโลกนี้มันเป็นของหลอกของปลอมเอาของจริงคือความสงบดีกว่ า, าหมดแล้วแหละ เ, เดี๋ยวรอคำถามหน่อยนั่งสมาธิไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีคำถามเข้ามาก็ค่อยตอบอันนี้ขอพักสักเดี๋ยวนั่งเฉยๆไป มีอยู่สองทางเลิกหรือรอถ้าเลิกมันก็คนที่เข้ามาก็หมดโอกาสถ้ารอก็ยังเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะถามคำถามยังถามได้อยู่ยิ่งั้นเวลามันยังพอมีอยู่ก็เลยยังไม่เลิกรอไปก่อนถ้ามีถ้ามีคำถามเข้ามาเมื่อไหร่ก็ถามได้เลยนะไม่ต้องบอกคำถามจากคุณลีโอ ทำยังไงเราถึงจะชนะกิเลสขนาดบอกตายก็ตายเราก็ยังแพ้มันเลยครับขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยครับเราไม่มีอาวุธฆ่ามันไงเราต้องสร้างอาวุธขึ้นมาต้องสร้างสติขึ้นมาตอนนี้เราอาจจะมีปัญญาแต่ปัญญาของเรานี่มันไม่สามารถเอามาใช้ฆ่ากิเลสได้เพราะเราไม่มีสติที่จะหยุดมันหยดกิเลสเราไม่มีกําลังที่จะหยุดกิเลส เราก็ต้องมานั่งทางนี้ดีกว่าอย่าไปขวางทางเดินเขาทางนู้นทางนี้เข้าไปชิดออกไปตรงนู้นเอออย่าไปเกกะขวางทางเดินเข้าออกนะฉะนนต้องมาฝึกสติถ้ามีสติแล้วก็จะหยุดกิเลสได้หยุดกิเลสได้เราก็ฆ่ามันได้ด้วยปัญญาแตถ้าเราหยุดไม่ได้มันก็คอยวิ่งหนีเราอยู่เรื่อย ปัญญาเหมือนมีดแต่มีมีดแต่วิ่งไล่ฆ่ากิเลสไม่ทันเหมือนวิ่งจับลิงนี่จับไงก็ไม่ทันต้องมีเชือกมาคอยมัดลิงไว้ก่อนถ้ามัดลิงให้มันอยู่เฉยๆได้ก็เอามีดมาตัดหัวมันได้กิเลสก็เหมือนลิงนี่มันจะวิ่งหนีเราอยู่เรื่อยๆอฉะนั้นเราต้องหาเชือกมาลัดมาจับมันให้นิ่งก่อนพอมันนิ่งแล้วทีนี้ก็เอาปัญญามา มาฆ่ามันได้คำถามต่อไปจากคุณชัยจิตคือพุท ธ, ธะหมายความว่าอย่างไรครับพุท ธ, ธะแปลว่าผู้รู้จิตกับใจคือผู้รู้ผู้คิดเนยบางทีเราก็ใช้จิตแทนแทนผู้รูใ้ใช้แทนว่าใจมันใช้สลับกันได้สองคำนี้จิตกับใจคําถามต่อไปจากผู้ฝากถามทําผิดศีลข้อกาเม จะได้รับผลเช่นไรครับก็ต้องไปเป็นเหมือนกับหมหาเดือนเก้าเนี่ยเคยเห็นสุนัขเดือนเก้าไหมมันวิ่งไล่กันหาแฟนกันะ <c oughs> การนี้ก็เหมือนกันการประพฤติผิดประเวณีก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต่างจากสุนัขนี่เองสุนัขมันไม่มีการไปสู่ขอไม่มีเป็นสามีภรรยายสามีภรรยากัน <c oughs> มันเจอกันที่ไหนมันอยา ก, อ ก, กกันเมื่อไหร่มันก็ซัดกันเมื่อนั้น <c oughs> หมดแล้วเหรออาจารย์ต้องรักษาศีลไว้ให้ดีถ้าไม่อยากจะไปเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานมันไม่มีศีลห้ามันอยากจะขโมยอะไรมันก็ขโมยอยากจะกินอะไรพอความับได้ก็คว้าไปเลย อ, อยากจะร่วมหลับนอนกับใครพอร่วมหลับนอนได้ก็เอาเลย ไม่มีคิดว่าเป็นของใครเป็นสามีภรรยาของใครไม่สนใจแล้วก็เวลาอยากจะฆ่าก็ฆ่าเลยนี่นี่คือนิสัยของเดรัจฉานถ้าเราฝึกนิสัยแบบนี้ก็เท่ากับการฝึกเป็นเดรัจฉานพอตายไปจิตของเราก็จะไปเป็นเดรัจฉานตามที่เราฝึกสอนให้มันนั่นเองถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ก็ต้องไม่รักต้องรักษาสีหน้าให้ได้ มนุษย์นี้จะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสบบายามุกสุรายาเมาต่างๆเราก็จะเป็นมนุษย์ต่อไปได้คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเราจะทราบได้อย่างไรว่านั่งสมาธินานขนาดไหนคือพอดีจะออกจากสมาธิเมื่อไรครับ อ, อพอจะนั่งถ้ามันได้ผลแล้วมันอยากจะนั่งสามวันสามคืนเนี่ยปฏิบัติไปแล้วมันรู้เองว่าจะนั่งเท่าไหร่ถึงจะดีเหมือนกับหาเงินนี่พอหาเงินได้สักแสนหนึ่งนี้โออยากจะได้เป็นล้านเป็นพันล้านนั่นแหละมันมันจะอยากไปเรื่อยๆเพราะเงินมันดีใช่ไหมมีใครได้มาแล้วบอกว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องการมากกว่า น, นี้มีไหม มีแต่มีแต่ว่าไม่พอสถทีได้ล้านหนึ่งก็อยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้านอันนี้ก็เหมือนกันถ้านั่งสมาธิแล้วพอจิตสงบมีความสุขปั๊บโอ้ ไม่อยากจะลุกเลยอยากจะให้มันอยู่ในสมาธินานๆพอมันจะออกมาก็ดึงมันกลับเข้าไปใหม่กลับเข้าไปนั่งใหม่ต่อไปมันจะไม่อยากจะทำอะไรนอกจากฝึกสมาธิอยพวกนี้ก็ถึงไปเป็นลือศีชีภัยกันนะเขาไม่อยากจะทำงานหาเงินหาทองเขาอยากจะหาความสงบกันเขาเลยไปอยู่ตามป่าตามเขาคนเดียวไม่มีใครมารบกวนเขาแล้วเขาก็เข้าสมาธิบ่อยๆ เข้าอยู่เรื่อยๆเพราะไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสุขที่ได้จากสมาธินั่นเองนัติสันติปาลังสุขขังสุขเอิญที่เหนือกว่าความสงบไม่มีเป็นความสุขที่เวเศษที่สุดที่เลิศ ท, ที่สุดที่สะอาดที่สุดสะอาดก็คือปราศจากความทุกข์ความสุขอย่างอื่นนี้มีความทุกข์มาให้เราต้องเสียใจอยู่เรื่อยๆ มีถ้าเป็นปลาก็เป็นปลาที่มีมีก้างกัดกินเนื้อไปแล้วเดี๋ยวก็โดนก้างชิ่มปากไม่เหมือนกับปลาที่เขาเอาไม่เอาก้างออกแล้วกินปลาที่มีก้างกับไม่มีก้างออเราจะเลือกกินปลาแบบไหนใช่ไหฉันใดความสุขที่มีความทุกข์กับความสุขที่ไม่มีความทุกข์อันไหนจะดีกว่ากันนั่นแหละคือความสงบ เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์แต่ความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสจากคนนั้นคนนี้มันมีก้างเดี๋ยวก็ต้องทิมปากเราเดี๋ยวก็ต้องทำให้เราร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันอยากจะถามอีกค่ะขอขอหนึ่งคำถามค่ะคือคณะบวชเนี่ยมีรู้สึกไม่สบายใจอยู่เรื่องหนึ่งคือที่หอพักนะคะมดเยอะมากคือ คือทั้งโดนโดยโด ย, โด ย, โดยไม่ได้เจตนาแล้วก็บางทีคือเราแค่ต้องการปัดแล้วก็ไปข้ามดนะคะก็เลยทําให้เกิดความไม่สบายใจผลบาปไหมคะถ้าไม่มีเจตนาทําให้เขาตายไม่บาปนะอยู่ในโลกนี้มันก็มีเรื่องสุดวิสัยขับรถไปหมาหมาวิ่งตัดหน้ารถก็ชนมันตายได้ขอให้เรามีสติทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันะ อย่าอย่าไปเคร่งรักษาศีลจนกระทั่งไม่กล้าเดินไม่กล้าทำอะไระก็พยายามใช้สติพยายามหลีกเลี่ยงมันพยายามอย่าไปทำร้ายผู้อื่นนะครับ<ข>ตามไปค ำ, ำถามจากคุณพัชรวาสผมฝึกนั่งสมาธิมาสองสามปีแล้วครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องขารู้สึกมันเริ่มจะแข็งเหมือนเหล็กเลยครับ หัวเข่าก็ปวดด้วยครับครูบาอาจารย์มีวิธีดูแลธาตุขันตรงนี้ไหมครับหรือใช้การเปลี่ยนอริยาบทการฝึกนั่งสมาธิเป็นการเดินจงกรมแทนครับใช่ก็ต้องมีการเปลี่ยนอริยาบททั้งสี่อริยาบทให้มันทั่วถึงกันมันจะได้ไม่ทําให้ร่างกายพิกลพิการนอนอย่างเดียวก็ไม่ได้เดินอย่างเดียวก็ไม่ได้นั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ นั้นต้องมีการเปลี่ยนเลยมีการยืนมีการเดินมีการนั่งมีการนอนสลับผัดเปลี่ยนกันไปร่างกายก็จะไม่ชมํำลุดสุดโสมมากเร็วเกินไปนอกจากนั้นท่านก็ยังมีวิธียืดเส้นยืดสายต่างๆแข่งแขนแข่งเท้ายืดเส้นยืดสายมีโยคะมีอะไรต่างๆที่จะช่วยทำให้ทำให้เส้นสายต่างๆมันไม่ มันไม่แข็งไม่ตึงจนเกินไปไม่เจ็บจนเกินไปพอประทังไปได้แต่ถ้าจะทำให้มันเป็นเหมือนเดิมเหมือนนอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันยอมเป็นไปไม่ได้แต่มันก็พอช่วยบรรเทาความเจ็บความปวดของร่างกายไปได้ในระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งท่านก็ใช้เรื่องจิตใจเป็นผู้มาระงับคือถ้าทำจิตใจให้ยอมรับกับความเจ็บความปวยของร่างกายแล้วมันก็จะไม่ทรมาน คำถามต่อไปจากคุณสัสิธรการที่เราไม่ได้บวชแต่เราอยากถึงพระโสดาบันและพระนิพพานจะทาได้ไหมเจ้าคะและมีวิธีอย่างไรได้ก็ต้องอยู่แบบนักบวชไม่ต้องบวชก็ได้แต่ต้องปฏิบัติแบบนักบวชคือต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างเข้มข้นไม่ใช่เช้าชามเย็นชามต้องปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงจะได้โสดาบันได คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเบื้องต้นของชีวิตเคยทำผิดศีลห้าบ้างแต่บั้นปลายชีวิตรักษาศีลห้าได้ครบพอตายจากมนุษย์แล้วจะไปตกอบายไหมครับมันขึ้นอยู่กับปริมาณของบาปกบุญที่เราทำเวลาตอนที่เราตายนี่เป็นเหมือนเวลาเราคิดบัญชีกัน เหมือนเวลาบริษัทจะปิดบริษัทเขาก็ต้องทำงบเขาต้องทำบัญชีดูว่าร า, ายรับรายจ่ายอันไหนมากก่อกันถ้ารายรับมากกว่าก็ถือว่ายังกาไรอยู่ถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็ขาดทุนฉันใดใจเราก็ยังมีการทาบุญทาบาปกันอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะสะสมอยู่ในบัญชีบุญบัญชีบาปพอถึงเวลาที่ร่างกายตายไป บัญชีบุญกับบาปก็จะมาจัดการกับจิตใจของเราถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้เราไปรับผลในบายถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็จะดึงให้เราไปรับผลในสวรรค์ไม่ได้หมายวามบาปหมดหรือบุญหมดเพียงแต่ว่าอันไหนมีกำลังมากกว่าก็ไปแสดงผลก่อนแล้วต่อไปพอบาป บ, บาปน้อยกับบุญบุญก็ไปดึงไปถ้าบาป บาปบาปหรือบุญน้อยกว่าบาปบาปก็จะดึงไปถ้าบุญกับบาปเท่ากันก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คำถามต่อไปจากคุณสุกัญญาการที่เรามีอุปสรรคมากเกิดจากวิบากกรรมของเราหรือกรรมอันใดเจ้าคะ อุปสรรคมันมีสองอุปสรรคอุปสรรคภายนอกกับอุปสรรคภายในอุปสรรคภายนอกก็เป็นเรื่องสถานที่เหตุการณ์ที่เราไปอยู่หรือผู้คนที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยหรือวิถีชีวิตที่เราดำเนินมันก็มีอุปสรรคต่างๆนานามากน้อยต่างกันไปส่วนอุปสรรคอีกอกันก็คืออุปสรรคภายในคือความเกลียดค้า น, นนี้ก็เป็นอุปสรรค คามที่ไม่กล้าสู้กับปัญหาก็เป็นอุปสรรคงี้นมันมีอุปสรรคนอกกับอุปสรรคไหนอุปสรรคนอกเราก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าอันไหนหลบได้ก็หลบอันไหนหลีกได้ก็หลีกอันไหนแก้ได้ก็แก้ไปอุปสรรคนก็เช่นเดียวกันถ้าอุปสรรคนเกิดจากความขี้เกียจเราก็ต้องใช้ความขยัน ถ้าเกิดความอาไม่อยากจะเผชิญเผชิญหน้ากับความจริงก็ต้องบังคับให้มันเผชิญกับความจริงให้ได้มันถึงจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆให้หมดไปได้หมดแล้วเลยนะครับนี่จะอุปสรรคน้อยอุปสรรคมากก็อยู่ที่ความอยากมากหรืออยากน้อยถ้าอยากมากก็อุปสรรคมากเนี่ยน้องอยากไปเป็นนายกดูสิอุปสรรคนี้เยอะเลย ถ้าอยากเป็นขอทานเนี่โอ้อุปสรรคมันน้อยใช่ไหมก็เราไปเลือกก็มันเราไปเลือกหาอุปสรรคกันเองถ้าอยากจะหาอุปสรรคน้อยไปเป็นขอทานเไปเป็นพระในอุปสรรคน้อยไปเป็นนักบวชง่ายจะตายไปเป็นอยู่แบบขอทานถ้าอยากไปเป็นนายกอยากจะไปเป็นพนาที่พอดีคู่แข่งมันเยอะนี่มันก็เลยอุปสรรคมากอย่าไปหาของที่คนเขาอยากได้กันเด ไปหาของที่เขาไมา่อยากได้กันเนี่ยไปที่กองขยะเนี่ยของเยอะแยะเลยไปเก็บเศษขยะมาขายก็ได้เก็บขวดพลาสติกเก็บกระป๋องเก็บอะไรต่างๆมาขายไม่มีใครมาแย่งกันสบายไม่มีอุปสรรคแต่ถ้าไปอยากจะไปเป็นนายกอยากจะเป็นอะไรนี่โอ้โหมันต้องสู้กันแหลกฟะฆ่าฟันกันใช่ไหมนั้นอุปสรรคจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความอยากของเรานั่นแหละ ถ้าอยากมากอุปสรรคก็มากอยากน้อยก็อุปสรรคก็น้อยถ้าไม่อยากเลยก็ไม่มีอุปสรรคเลยใช่ไหมไม่ต้องการอะไรจะมีอุปสรรคอะไรจร <c oughs> ิงไหมมีมีเข้ามาเรียงยังไม่มานะเนี่อถ้าไม่มาก็อันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะสาหรับวันนี้